การประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่10เรื่องสิทธิและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์หรือ The 10th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights mm hmm. การประชุมเอเชียแปซิฟิกนั้นจัดประชุมขึ้นทุกสองปีซึ่งได้มีการจัดประชุมมามากกว่า20ปีแล้วโดยครั้งแรกจัดขึ้นในปีพศ2544ที่กรุงมะนีลาประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทำให้คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่10นี้ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจึงได้ประกาศเมื่อวันที่1มิถุนายนพศ 2,563 ว่ากรารประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมแบบออนไลน์ในทุกๆ2สัปดาห์เป็นจานวน14ครั้ง และแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ90นาทีระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมพศ2563โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังการประชุมโดยการประชุมครั้งที่10นี้ได้เน้นประเด็นเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์หรือ sexual and reproductive Health and Rise เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกที่องค์การสหประชาชาติได้ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70เมื่อวันที่25กันยายนพศส5 5 8ั 58, หา้าสณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสตศกัลลา2030โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ประเทศต่างๆได้นำไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุผลสำเร็จ เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา15ปีจากเดือนกันยายนพศ2558ถึงเดือนสิงหาคมพศ2573โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17ข้อและทางประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นเรื่องสำคัญ โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ไว้10ประการโดยแต่ละประเด็นได้มีความเกี่ยวข้องกันการประชุมออนไลน์ครั้งแรกของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่10ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนนี้โดยศาตสตาราจารย์แคร์โรไลโฮเมอร์ผู้อำนวยการร่วมโครงการสุขภาพสตรีและเด็กจากสถาบันเบอร์นตได้พูดในหัวข้อเรื่อง การระบุปัญหาและอุปสรรคเพื่อเร่งความก้าวหน้าของสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวในที่ประชุมว่าสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาของมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศนั้น ที่ต้องเข้าถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้มีการเชื่อมโยงอย่างมากมายในเรื่องของสุขภาพและสิทธิธทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์กับความเท่าเทียมกันทางเพศและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงเนื่องจากทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของตนโดยปราศจากการตีตาการเลือกปฏิบัติและการบีบบังคับ ปัจจุบันนี้ปัญหาที่มีอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสถานบริการด้านสุขภาพผู้หญิงมากกว่า30ล้านคนต่อปีไม่ได้คลอดลูกในสถานพยาบาลผู้หญิงมากกว่า45ล้านคนไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอหรือไม่มีการฝากคันผู้หญิงมากกว่า2ล้านคนต้องหลีกเลี่ยงการตั้งคภ์ แต่ไม่สามารถใช้วิธีคุมกาเนิดสมัยใหม่ได้มีการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยมากเกินไปชายและหญิงจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับการรักษาหนึ่งในสีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทำให้เห็นว่าสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์นั้นไม่ใช่เพียงปัญหาของผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เป็นปัญหาทั้งหมดของพวกเราทุกคน โดยอุปสรรคที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพด้านสุขภาพได้แก่การขาดการเข้าถึงบริการขาดการบริการที่แพร่หลายการที่ไม่สามารถจ่ายค่าบริการได้ขาดการยอมรับความยากจนโอกาสที่จำกัดรวมถึงครอบครัวที่มีความรุนแรงด้วยปัจจุบันนี้ โควิด i n e t ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคอื่นๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเข้าถึงและความพร้อมในการให้บริการเนื่องจากการให้บริการจำนวนมากนั้นได้มุ่งเน้นด้านโควิดมากกว่าด้านสุขภาพและสิทธิทางเพศและด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ผู้อำนวยการทั่วไปขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวย้ำเกี่ยวกับโควิด i ว่า ทุกประเทศจะต้องมีความสมดุลระหว่างการดูแลสุขภาพการหยุดชะ ง, งักทางสังคมและการเคารพสิทธิมนุษยชนเมื่อระบบสุขภาพถูกแทรกแซงบรรดาประเทศต่างๆจำเป็นต้องตัดสินใจเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการตอบสนองต่อโควิดพร้อมทั้งต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์และดำเนินการประสานงาน เพื่อให้บริการด้านสุขภาพอื่นที่จําเป็นด้วยจึงทำให้การบริการต่างๆนั้นจะมีความท้าทายมากขึ้นและสิทธิของสตรีในเรื่องการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ควรได้รับการเคารพโดยไม่คํานึงถึงสถานะโควิดและโควิด n i ท e t ทำให้เกิดผลกระทบทางอ้อมต่อการให้บริการด้านอื่นๆได้หยุดชะงักลง และผลกระทบทางอ้อมนี้เองส่งผลต่อผลกระทบทางตรงของผู้หญิงที่สงสัยว่าเป็นโควิดให้ได้ถูกปฏิเสธการดูแลรักษาการตีตาและเลือกปฏิบัติศาสตราจารย์แคโรรายังได้กล่าวว่าหลักการตอบรับในสถานการณ์ช่วงโควิดนี้คือเราควรจัดลำดับความสำคัญที่จําเป็นในการให้บริการด้านสุขภาพโดยการปรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงต่อ ความต้องการโดยการใช้สื่อสารทางไกลเพื่อให้เกิดบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นปลอดภยัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกระดับโดยควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับคนจนและคนที่อ่อนแอที่สุดก่อนและเรายังจำเป็นต้องระดมทุนด้านสาธารณาสุขขจัดอุปสรรคทางการเงินในการเข้าถึงการบริการ ความพร้อมของยาและอุปกรณ์ที่จาเป็นรวมถึงการติดตามบริการสุขภาพที่จำเป็นจะต้องดำเนินต่อไปสิ่งที่เราทําได้ในสถานการณ์นี้คือเราต้องมีการปฏิรูปที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและให้ผู้หญิงสามารถควบคุมร่างกายของพวกเขาได้มากขึ้นเราต้องระบุอุปสรรคและปัญหา เพื่อป้องกันด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยทุกคนต้องเป็นคนตัดสินใจเองเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของพวกเขาเองรวมถึงเคารพการตัดสินใจของผู้อื่นด้วยและที่สําคัญเราควรใช้สถานการณ์โควิดนี้เป็นโอกาสในการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงต่อไป วารุณีขัตเตมีรายงานข่าวค่ะ